สำหรับบางคนต้องการศึกษาเรื่องนี้แต่ต้องแน่ใจว่าจะอยู่ได้ตลอดนะแต่ออกกังขันไม่เอานะหมายความว่าคุณต้องหาวิธีแหละหาวิธีคือเป็นการเรียนรัดนะดในขั้นตอนหนึ่งในการศึกษาอารมณ์ตัวเองเพราะว่าคนที่เข้าเก็บอารมณ์ก็หมายความว่าจะต้องไปเข้าคอที่ละห้าวันจิตบางบางคนนีวุฒที่ภาวะทางจิตพร้อมนั่นหมายความว่าสามารถแก้ปัญหาและเบิกศักมีวิธีแก้แม้ประสบการณ์ในชมวงบินมีน้อยก็ตาม แต่ว่าด้วยความตั้งใจแล้วก็มีมีความเพียรเนี่ยอาจจะลองศึกษาดูสักวันก่อนนะวันต่อวันนะแต่พรุ่งนี้ได้เรื่องวันต่อไปหลวงพ่อจะให้อีกนะเพราะว่าในการศึกษาตัวเองเนี่ยหลวงพ่อมาจับสูตรนี้ได้เพราะว่าเอามาใช้กับตัวเองก่อนถ้าหากว่าเราทำเรื่องนี้ให้ไวที่สุดให้ให้เร็วที่สุดยิ่งดีเพาะอะไรพ่เราจะมีเวลาเหลือทำงานอีกเยอะ ราค า, าโทสะโมหะเราใกล้จะหมดหรือหมดไปนี่นะชีวิตมันจะเปลี่ยนนั่นคือชีวิตจะเบาสบายแล้วเรามีเวลาเหลือที่จะไม่ต้องกังวลเรื่องราคาโทสะโมหะต่อไปมีเวลาทํางานให้กับโลกตลอดช่วงชีวิตชีวิตอยู่แต่ยังเมื่อไหร่ใจของเรายังคล่องคาอยู่ในราคะโทสะโมหะเราจะทําอะไรได้ไม่มากเพราะมันกําลังไม่มีแรงมันไม่มีแต่ราคาโทสะโมหะ น้อยลงมากเท่าไหร่กาลังของสติสมริปัญญาจะเพิ่มขึ้นตามลําดับของกําลังที่มันลดกําลังของราคาโทสมะมหะยังมากเท่าไหร่กําลังของสติสมาธิปัญญาก็น้อยลงไปตามส่วนที่มันมันมีเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันไม่ได้หายมันไม่ได้อ่ามันไม่ได้สูญไปนะราคาโทสะเปลี่ยนสภาพเพราะนั่นเองราคาเปลี่ยนมาเป็นศีลเปลี่ยนได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซนโทสะเปลี่ยนมาเป็นสมาธิเปลี่ยนได้เท่าไหร่ โมหะเปลี่ยนมาเป็นปัญญาเพราะนั้นการลดลงของบวกมันก็จะไปทดเป็นลบนะการทดลงของลบมันก็ไปทดเป็นบวกตามตามหลักของวียศาสตร์เปี้ยเลยนะเพราะฉะนั้นแค่พระโสดาบันที่ลดราค า, าพระสกิทาคามีลดราคาโทสามโมหะลงได้เนี่ยกำลังก็มาหาศาลละในการที่จะ ช่วยเหลือคนระดับชาวบ้านยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องพระอนัคคำมีหรือพระหันที่ท่านลดเกือบหมดนี่นะพลังในการที่จะทําทงานมหาศาลดังนั้นเองก็ไม่อยากให้เสียเวลาสําหรับคนหนุ่มปัจจุบันนะเพราะว่ามีบทเรียนชีวิตที่วัยหมายความว่าได้เห็นความเสื่อมความทุกข์ความวิบัติอะไรต่างๆในอายุที่น้อยคนปัจจุบันเนี่ยเพราะการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงความวิบัติของโลกมันเกิดไวมากดังนั้นไอ้ความเบื่อหน่าย ต่อในการที่จะไปวนเวียนไวไหตายเกิดในราคาโทสัมุหันเนี่ยมันก็จะไวขึ้นหมายความวุฒิภาวะบางคนในสูงสามารถที่จะเกิดความเบื่อหน่ายใครจังในเรื่องเหล่านี้ได้เร็วดังนั้นมีวิธีใดที่เราจะสร้างสติสมาธิปัญญาเนี่ยให้มีกําลังเนี่ยควรจะทําแต่ว่ามันก็สู้ไม่กี่ตัวนะตามที่เราสู้กันอยู่ทุกวั น, นสู้ตัวอะไรบ้างข้ ง, ง่วงใช่ไหมความขี้เกียจข้อเผลอข้อเพลินแค่นั้นนะ เราจะไปกลัวอะไระใช่ไหมก็ย <c oughs> ออขยันแก้ขยันปลดขยันอ่านั้นมันส น, นุ่ยหนึ่งแต่สําหรับผู้ใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็เป็นธรรมดาเพราะเราอยู่กันมาตลอดชีวิตใช่ไหมเราใช้ชีวิตเผลอมาตลอดชีวิตใช้ชีวิตเพลินมาตลอดชีวิตการมาปฏิบัติแล้วมันมันต้องเผลต้องเพลินแน่นอนส่วนจะมากจะน้อยขึ้นอยู่ว่าเรามีศรัทธาและมีความเพียรมากแค่ไหนถ้าเรามีศรัทธาความเพียรมากความเผลอความเพลินถึงแม้ว่ามัน กินชีวิตเรามาตลอดก็ตามแต่ว่าไอ้ตัวกําลังศรัทธาและความเพียรมีกําลังมากกว่าเหมือนไฟแสงสว่างกับความมืดความมืดมันจะมากขนาดไหนนะถ้าแสงสว่างมันพอๆกันแล้วมันก็อยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมตัวเผลอตัวเพลินจะมากขนาดไหนถ้ากําลังของศรัทธาและความเพียรสูงกว่ามันก็เป็นที่มาของสติสมถทิปัญญาแต่นั่นเองก็อยากจะให้คนหนุ่มสาวพวกเราได้ศึกษาเรื่องนี้ ให้เห็นเรื่องของราคะโทสาวโมหะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กมากแต่ที่เรายังให้ความสําคัญมันอยู่ก็เพราะว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวมันมีรสชาติท่านเองต่อไปเวลาอายุมากมันก็หมดสภาพไปแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะลดมันได้ในช่วงความเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมันพลังมันเหลือเยอะในการที่จะมีความสุขต่อไปข้างหน้าในการที่จะแบ่งพันความสุขที่ได้จากประสบการณ์ชีวิต ที่ไม่มีความทุกข์เนี่ยให้กอบคนอื่นไปยาวนานอันนั้นคือกำไรของชีวิตล้วนๆก็รู้อยู่ว่าไอ้สัมภสัททั้งหลายตกเป็นธาตุของราคาโทสาวมหัไม่รู้กี่ล้านกี่แสนกี่โกรดอะเไม่มีค่าอะไรแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายพระอาหาันทั้งหลายที่ท่านลดราคาโทสาวมหได้ทำไมชีวิตทั้งท่านเป็นอมาตะชื่อเสียงและคำสอนของท่านอยู่ได้ตลอดเป็นอมาตานะะ พระฉะนั้นท่านก็เป็นชีวิตอย่างเรามีมีกิเลดอย่างเราแต่ท่านก็พัฒนาได้ดังนั้นเราก็ทั้งหลายเราก็ไม่ใช่ว่าคนที่จะไม่สามารถเข้าถึงเรื่องนี้ได้ขอให้ได้เป็นมนุษย์ทุกคนนะทําได้เพราะมนุษย์มีอุฒิภาวะพอที่จะเข้าถึงได้เพียงแต่ว่ามีศรัทธาและความเพียรต่อเนื่องเมื่อศรัทธาความเพียรต่อเนื่องสติสมถทิพ ญ, ญามันมาเองแต่ถ้าศรัทธาและความเพียรไม่ต่อเนื่องไม่ถูกต้องสติสมถปัญญาก็มาไม่ได้นะ ดังนั้นเองให้เห็นว่าเรื่องเรื่องราคาโทสะโมหะเนี่ยมันก็มาจากหนึ่งได้ชอบภาพที่สวยๆติดใจมากๆมันก็มาจากทางนั้นชอบเสียงที่เพราะๆคลั่งคล้ายหลงไหลในเสียงดนตรีในเสียงอะไรที่มันเพราะก็เป็นที่มาของราคาแล้วก็กลิ่นหอมๆคุณยังชอบกลิ่นดอกไม้ชอบกลิ่นน้ำหอมชอบอะไรที่มันต้องจมูกเนี่ย กินหอมของอาหารกินหอมของผลไม้กิน ห, หอมของดอกไม้แล้วก็แต่ถ้าคุณยังหลงไหลข้างใครมันอยู่มันก็เป็นที่มาของราคาเรืองลอาหารแน่นอนเป็นรถที่รุนแรงถ้าเรายังติดใจในรถอาหารอยู่คุณต้องการแค่อิ่มหรือต้องการแค่สนองความอยากถ้าต้องการแค่อิ่มคุณกินอะไรก็ได้กล้วยสักใบสองใบคุณก็อิ่มแล้วใช่ไข้าวสัก จานหนึ่งคุณกินได้แล้วผักเมื่อกี้ยอะเมื่อก็อิ่มได้แล้ ว, แ, ลวแต่ถ้าจะกินด้วยความอยากนะคุณต้องหาอาหารเลือดลดทุกวันวันไหนอาหารไม่ถูกปากคุณงุนงิดเนี้ยนี่ก็เป็นที่มาของราคาอ่าแล้วก็ร่างกายที่สัมผัสนุ่มๆเสื้อผ้าดีๆนอนที่นุ่มๆดีๆได้สัมผัสได้อบอุ่นได้อิงแอบแนบอิงในสิ่งที่ภาษาที่สบายก็เป็นที่มาของราคาแต่อารมณ์ดีๆอารมณ์โรแมนติกอารมณ์ที่เคริม้มที่ อในสิ่งทั้งหลายที่เราใฝ่าหาอารมณ์เป็นก็ที่มาของราคา น, นรูปเสียงกลิ่นสัมผัสที่ต้องใจเป็นที่มาของราคาได้หมดเพราะฉะนั้นราคามันจึงรุนแรงสําหรับคนบางคนเพราะสิ่งมันมาทั้งหกทางทีนี้เราจะลดมันอย่างไรนะก็ลดที่ความติดสบายก่อนแล้วก็ลดที่ความเพลินลดที่ความเพลิ น, นเป็นหลักนะเพราะตัวเพลินมันเป็นตัวที่ มันเป็นวัฒนธรรมของชีวิตไปแล้วอะ่ะ enjoy your meal enjoy your sleep enjoy your talk enjoy your uh, eat อะไรนกะ็ต้องต้องมีความสนุกสนานในการกินเรามาถึงจะมีชีวิตชีวานมันเป็นชีวิตของเราแต่ถ้าหากว่าเรามาปฏิบัติเราพยายามลดกระแสกระแสของความเพลินลงเท่านั้นแหละมันก็ง่ายในการไปตัดนะเวลาเราไปซื้อของก็ซื้อของที่มีราคาใช่ไหมไปถามราคาเท่าไหร่ใช่ไหม <laughs> ถ้าไปถามแม่ค้าว่าราคาเท่าไหร่นี่หวงว่าจะแตกออกมาก็ได้นะถามราคาเท่าไหร่แม่ค้าชอบเอาเอาคุณราคาสูงๆยิ่งดีใช่ไหมราคชอบของดีราคาแพงอันนั้นหมายว่าเรามีราคาสูงนั่นเองในเรื่องเหล่านั้นนะเพราะนั้นราคามันมาหลายรูปแบบถ้าสมมติเราไม่ศึกษาถึงรู้ถึงราาของมันนะเราก็จะออกจากตัวนี้ไม่ได้เพราะนั้นก็มีจุดอ่อนของมันอยู่นะนั่นในเรื่องเหล่านี้ถ้าหากว่ามันสามารถทําให้บรรเทาเบาบางด้วยอายุยังไม่ไม่มากเลยนะ เราจะสบายนะฮะเราจะมีความสุขบรมสุขนะไม่ใช่สุขธรรมดาคือสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะถ้าสุขธรรมดาเป็นสุขที่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเปลี่ยนเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่ถ้าเป็นบรุมสุขมันไม่เปลี่ยนแปลงมันมีความสุขตลอดเวลาแล้วก็สามารถแบ่งความสุขเนี่ยให้คนอื่นด้วยก็คือไปลดราคาโทรศัพทมหาลงเท่านั้นแหละนะตาบใดคุณยังมีราคาโทรศัพท์คุณจะเจอความสุขที่เป็นบรุษมสุขไม่ได้เลยมันเป็นปฏิกปักต่อกัน ตอนนั้นเองก็อยากจะให้ทดสอบการเก็บอารมณ์ดูนะอย่างอย่างช่วงวันเนี้มีความตั้งใจสูงนะแต่เนื่องจากว่าเราเป็นคนยังใหม่มากก็ยังผุดรูปผุดนั่งผุดไปผุดมากันอยู่ก็ยังมีอะไรกังวลหลายอย่างแต่สําหรับบางคนก็มีความตั้งใจนะรู้ว่าหนักแต่ว่าเราก็มีความตั้งใจอยู่เพราะฉะนั้นเองพรุนี้ก็ดูว่าคนที่จะสมัครเข้าลองไปทดสอบทุ ก, ก่อนนะให้ครึ่งวันก่อนเนาะ ถ้าครึ่งวันไหวก็จะให้เตรียมวันเพางั้ น, นแต่พรุ่งวันพรุ่งนี้ได้เตรียมวันไหวก็เอามาเรียให้อีกวันหนึ่งอย่างงี้นะเ <Yeah. S 1> พื่อที่จะได้ทดสอบแล้วคุณก็ไปฝึกทําที่บ้านต่อนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เห็นว่าเรื่องฝึกปฏิบัติเนะี่ยมันเป็นการลงทุนนะผลกําไรมหาศาลคือคุ ณ, ค, ณคุณมีความสุขตลอดชีวิตอะและ้วจะคุณลงทุนเล็กๆลน้อยแค่นี้มันไม่พอหรอกมันต้องลงทุนมากกว่านี้ใช่ไหมหมายความว่าจะต้องศึกษา ต้องทําความเข้าใจใช้ความเพียรในการสังเกตแต่ถ้าเราจะไปเสพสุกกับความง่วงเล็กๆน้นอยๆไปเสพสุกกับความเพลอเล็กๆน้นอยๆไปสุเสพสุกกับความอร่อยอาหารเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมั น, ม, นมันไม่ได้เป็นมันจะไม่เป็นการลงทุนคุณเสียสละอรอดอรเด็ดอร่อยทั้งหลายที่เกิดจากรูปเสียงกีรดเนี่ยอันนั้นคือการลงทุนนะการลงทุนอาหารอร่อยคุณก็ตัดมันเสบ้างคุณจะอร่อยทุกมื้อเกินไปก็ตัดสละมันบ้างนะ แล้วคุณจะได้อะไรที่มันได้ดังใจบ่อยครั้งมันก็ไม่ดีมันทําให้กราคะมีกําลังอ่าการตามใจตามอารมณ์มันมีกําลังคุณก็ฝืนบ้างดังนั้นเองในการเสพปัจจัยสี่เนี่ยตั้งแต่อาหารเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเนี่ยท่านถึงให้พิจารณาเพราะมันมีอสสาระคือมีรสชาติสิ่งใดที่มีรสชาติให้พิจารณาถึง3ครั้งนะเพราะพิจารณาครั้งที่หนึ่งให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธาตุนะ มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราต้องเสพแต่มันเป็นธาตุอันหนึ่งธาตุอันนั้นมันจะมาหลอเลี้ยงธาตุอันนี้ธาตุภายนอกมันจะมาดูแลธาตุอันนี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติมันจึงให้น้ำเชื่อมมาน้ำเชื่อมตัวนี้เรียกว่าอาสาธะคือรสชาติ เพราะงะี้เราจะไปหลงว่าน้ำเชื่อมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราจะต้องพึ่งพาหรืออาศัยมันเป็นสารณะไม่ใช่มันเป็นเพียงว่าถ้าเราไม่มีน้ำเชื่อมคืออาสาทอนเนอาสาท้าทอเนี้ย เ, เราก็จะไม่อยากกินอาหารไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เพราะมันทุกข์เขาก็ให้น้ำเชื่อมมาหน่อยหนึ่งเขาเรียกอาสาท้คือรสชาติแต่เราไปหลงว่ารสชาตินี่คือสิ่งที่เราต้องพึ่งพาต้องขาดไม่ได้ แต่ตัวหลักของมันที่จะอยู่คือธาตุสีภายนอกดินน้ำลมไฟธาตุดินปลูกมาเป็นอาหารเพื่อจะมาเชื่อมธาตุดินตัวนี้ให้มันอยู่ได้เขาก็ให้รสชาติมาที่ปลายลิ้นเส้นหน่อยหนึ่งให้มันดำรงชีวิตอยู่ได้โดยหลักของธรรมชาตินะฉะนั้นให้พิจนารณาอันแรกว่าเออสิ่งเหล่านี้ เวลาพิจารณาตอนเช้าใช่ไหมสิ่งเหล่านี้นี้สักว่าเป็นท่าตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิดนะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่เป็นไปตามใจเรานะแต่เป็นไปตามเหตุของมันพอขณะฉันหรือขณะรับประทานกนะ็ให้พิจารณาในขณะเคีว้วกําลังเคี้ยวกําลังกลืนเราพึงพิจารณาโดยแยกใครว่าวเราฉัน พิจารณาเรื่อขาแล้วฉันอาหารไม่ใช่เป็นไปเพียงเพื่อประดับตกแตง่งไม่ใช่เพื่อเป็นให้เกิดกําลังกำลังพลังพลังทางกายไม่เพื่อไม่เป็นไปเพื่อความมอ่งมันไม่เป็นความเพื่อประดับแต่เป็นไปเพื่อเพื่อการตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เป็นการบําบัดความหิวบรรเทาทุกขเวทนาเก่าคือความหิวและบรรเทาทุกขเวทนาใหม่คือความอิ่ม ปฏิบัติเพื่อเพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติภูมิจันทร์นันนี้เป้าหมายแต่นี้เราบริโภคเพื่ออะไรเพื่ออร่อยเพื่ออิ่มอะไรนี่มันคนละเรื่องเลยนะแต่ว่าเราพิจารณาอย่างที่ว่าเมื่อกี้ครั้งที่สองนะวาระที่สองวาระที่สามเราทานอิ่มมาแล้วคําใดที่ข้าพเจ้าไม่ทันพิจารณาในคาบนี้ในมื้อนี้ข้าพเจ้าขอพิจารณาใหม่ เรียกว่าอัจชมยาใช่ไหมอชมยาปจเจวีคิดแต่ว่าอาหารใดที่ข้าพเจ้าบริโภคในวันนี้ไม่ทันพิจารณาข้าพเจ้าขอพิจารณาซ้ําอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือความรอบคอบของพระพุทธเจ้านะในในเรื่องเดียวกันในครื่อลอร่อยเดียวกันให้พิจาถึงสามครั้งเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปพึ่งพาหรือเสพแต่ว่ามันเป็นธาตุมาต่อธาตุขนาดธาตุมาต่อธาตุที่เราพิจารณาโดยแยกคายเพื่อเราจะไม่หลงติดแต่บางบางคำ บางเราหลงเพลินไปท่านก็ให้พิจารณาซ้ำเพื่อจะไม่หลงลืมอีกนะอันนี้คือประโยชน์ของการพิจารณาทีนี้สมมติว่าสมมติว่าพรุ่งนี้เราจะเก็กบอารมณ์นะเราจะเริ่มต้นอย่างไรอุปกรณ์มีครบหมดนะยืนเดินนั่งนอนมีครบแต่ว่าเราจะยืนอย่างไรที่จะรู้สึกตัวให้ยืนเราจะเดินอย่างไรให้รู้สึกตัวให้ชัดๆให้เดินเราจะนั่งอย่างไรให้รู้สึกตัวให้ชัดที่สุดให้นั่งนอนนี่เอาไว้ก่อนเนาะ ยืนเดินนั่งนอนนอนเอาไว้ตอนกลางคืนก็แล้วกันตอนออกกลับจากนี้ไปคุณจะนอนอยังไงก็แล้วแต่นะให้เต็มที่ก็แล้วกันแต่พรุ่งนี้เราไม่ต้องใช้เราให้ทีเดียวรวดเลยหกชั่วโมงพี่เจ็ดชั่วโมงก็แล้วแต่แต่พรุ่งนี้เราก็มาเฉลี่ยใช้แคนั่งห้าชั่วโมงเดินแค่ห้าชั่วโมงยืนแค่ห้าชั่วโมงเฉลี่ยกันไปเฉลี่ยกันมาแล้วก็เอาไปนอนแค่เจ็ดชั่วโมงนะีเพราะฉะนั้นเราก็นอนรวดเดียวเลยไม่ต้องมานอนในตางขณะปฏิบัติ แต่บางคนที่ไปเก็บอารมณ์ในห้องไม่รู้ว่าใครจะแอบดอนพ่อไม่รู้นะไปรับผี่ชอบกันเอาเองก็แล้วกันไม่เพราะอันนั้นมันจะกลายเป็นนิสัยต่อรานนั้นนเรเราจะบริหารการยืนเดินนั่งอย่างไรเนี่ยให้มีสติก็ให้ทำดูนะเด e f i วไฟที่เบรเทนไลท์นี้ต้องการให้เป็นเครื่องมือในการแก้แก้อย่างคุณอ ะ, อะไรว่าเมื่อกี้คุณชนิดาเอาไปใช้เมื่อกี้ใช้ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงเช้าที่พี่เลี้ยงพาท ขอให้ตั้งใจทาดูจริงๆแล้วก็ท่าไหนที่ทำไม่ได้มากก็ทำน้อยๆหน่อยท่าไหนที่ทำได้มากก็ทํานั้นเยอะๆทาท่านั้นเยอะขึ้นเพื่อจะไปชดเชยท่าที่เราทำไม่ถนัดอันนี้แล้วก็มีมีเทคนิคนะสมมติเราถ่าหมุนตัวเนี่ยเราทำไม่ได้มากเราก็ไปท่าที่สองมาชดเชยท่าที่สองคือทาอ่าเป็นไงโค้งลาตัวขึ้นลงใช่ไหมท่าที่สามก็คือการไ อ, อ, อการไอหงายหน้า ภายหลังเนี่ยพอก้มหน้าเนี่ยผมไปก้มนี่เดียวเพรก้มเอาหัวตั้งพื้นเลยนะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เลือดมันลงเลี้ยงศีสระได้เลี้ยงสมองและศีรษะของสมองของเราก็จะได้เข้มแข็งสุดชื่นได้ง่ายเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้เพืให้เกิดประโยชน์สูงกว่านั้นแล้วก็ท่าที่สี่ก็แอนตัวเนี่ยไลท์ Light ที่สี่แอนตัวเขาเรียกว่าไลท์เพราะฉะนั้นอันนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องออกกําลังกายแต่เป็นพิธีกรรมชนิดหนึ่ง ไรที่มาจากกบาลิชเชร์นะแล้วก็ท่าที่ห้าคือท่าอะไรท่าแอน่นตัวท่างูเหาเนาะขึ้นอันลงก็พยายามว่าท่าไหนรู้สึกว่าเราทําได้เยอะก็แต่ท่าไหนบางท่าเราทําไม่ค่อยถนัดก็ลดตามจำกำลังของเรานะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะเข้าเก็บอารมณ์ต้องเรียบเรียงตั้งแต่แรกอันนี้เป็นการศึกษานะเรียบเรียงตั้งแต่เราตื่นขึ้นมาพับ พระห่มที่นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาลุกขึ้นมาคือทำช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบเพราะที่นี่เราไม่ให้รีบมาเวลาไหนก็เวลานั้นแต่ขอเป็นช่วงรือไม่ช่วงได้ทาไม่ได้ตื่นและตื่นสายมาไม่ทันไม่ใช่เงี้นะแต่ช้าเพราะกำลังเรียบเรียงสติสมัมมาญในแต่ละขณะคือไม่พลวดพลาดไม่ผุนผันแต่ทำไปตามลำดับ ตามลำดับตามลำดัอันนี้จะเป็นวิธีที่การฝึกฝนที่ดีที่สุดถ้าหากว่าเราชาวพุทธแล้วเป็นผู้มีศรัทธามาถึงระดับนี้แล้วเนี่ยามาไม่อยากจะให้มันเสียเวลาเพราะการที่มีศรัทธามามาเข้าอบรมเนี้ยไม่ใช่ธรรมดาล้ต้องมีศรัทธามากพอสมควรแต่ในศรัทธามากมากเนี่ยก็อยากจะทําให้มันละเอียดและถูกต้องเพื่อเราจะไม่ได้เสียเวลามาการที่เราจะใช้เวลา ในการเรียบเรียงสติสมัมปญะาในอิริบทต่างๆให้ชัดเจนเสมออันนั้นคือสิ่งที่ทำได้คุ้มเวลาที่สุดแต่เราจะไม่ให้เวลาเสียไปด้วยความเผลอความเพลินโดยที่ขาดสติสมัมปญญาการที่ทำอะไรโดยขาดสติสมัมปญะานั้นเป็นการเสียเวลามากที่สุดนะถึงจะเป็นช่วงสั้นๆก็ตามเพราะสติสมัมปญะเ้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นต้นต่อของมรรคผลนิพพานนะ ถ้าหากว่าสามารถเรียบเรียงเก็บได้มากเท่าไหร่เส้นทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายของมรรคผลนิพพานก็ใกล้มากเท่านั้นไม่ได้อยู่ไกลเลยแต่ว่าสามารถเรียบเรียงสติสัมยตทุกขณะทุกขณะได้ไหมอย่ารีบเดินเกินไปแต่ว่าเราอยู่ความเผลอความพลความเคยชินมาตลอดชีวิต <c oughs> มันก็มีการเผลอเป็นธรรมดาแต่รู้สึกตัวว่าตั้งต้นใหม่เสมอรู้สึกตัวว่าตั้งต้นใหม่เสมอ ไม่ตั้งต้นใหม่เสมอๆ ม, มันมั น, ม, นมันเริ่มเป็นนิสัยใหม่เป็นความเคยชินชนิดใหม่ที่รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อก่อนความเคยชินชนิดเก่าก็คือลืมเนื้อลืมตัวใช่ไหมเผลอมันเป็นของเก่าของเราเพราะนั้นตั้งแต่แรกมาก็ผสมใหม่บ้างเก่าบ้างไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเรามีวิริยะอุตสาหะมีศรัทธามีความเพียรที่เข้มแข็งสามารถเพิ่มอ่าเพิ่มรา ย, ายละเอียดในการจับ อาการของสติสญญยะได้ถี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อมีสติสมิยะมากขึ้นชีวิตมันจะกลายเป็นเป็นชีวิตที่นุ่มนวลและอ่อนโยนแล้วก็มันมีความเยือกเย็นไม่เล้าร้อนนะมีความเยือกเย็นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นสาระของมรรคผลนิพพานแล้วละ่ะไม่ต้องไปเอาสาระอะไรลึกกว่านั้นหรอกเอาแค่ง่ายๆอย่างนี้ก่อนที่สัมผัสได้นี่นะฮะการที่อาบน้ำหวีผมล้างหน้ า, าแปรงฟันอะไรเนี่ยคุณจับได้หมดเลยอะ การแต่งเนื้อแต่งตัวนะทุกทุกขณะแต่เรามุ่งที่ให้รู้สึกตัวไม่ได้มุ่งเพื่อตกแต่งนะไม่ได้มุ่งเพื่อความสวยงามแต่นุ่งเพื่อมุ่งเพื่ อ, เ พ, อเพื่อให้เกิดความรู้สึกตัวดังนั้นเมื่อคนปฏิบัติทำแล้วเนี่ยมันจะมีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะมีสเสน่ห์ที่บริสุทธิ์ตามธรรมชาติแต่คนที่ไม่รู้สึกตัว อ, อาบน้ำแต่งตัวก็มีสเสน่ห์อีกแบบหนึ่งสเสน่ห์แบบผิดธรรมชาติ เป็นที่มาของความหลงนะฮะแต่เสน่หตามธรรมชาติเป็นที่มาของความดูแลตัวเองให้ให้มีคุณค่าขึ้นในแง่ของมีสติสัมยะเพิ่มขึ้นเราไม่ได้หลงไหลแต่ว่าเราพยายามที่จะรักษาชีวิตนี้ให้มันเหมาะสมกับความเป็นมนุษย์ชั้นสูงอะ่ะ<ม>ก็คือพยายามที่จะเอาสติสัมยะมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เราใช้ทุก เราเก็บให้มากที่สุดวันหนึ่งเนะีน่ยนับไม่ถ้วนนะตั้งแต่ตื่นนอนจะไปถึงหลับเนี่ยลองลองนับโดยการเคลื่อนไหวการความรู้สึกตัวอะไรต่างๆเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยลนั่นแต่เราเก็บให้ได้มากที่สุดเราจะขยับปรับเปลี่ยนเคลื่อนไหวอะไรต่างๆตอนแรกมันก็เผลอบ้างอ่าเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างสลับกันไปสลับกันไปเรื่อยๆแต่อย่าให้ช่องว่างมันกว้างเกินไปอย่าให้มันเกิดแก๊บมากเกินไปคุณ เผลอแค่นี้รู้ก็ต้องรู้แค่นี้เหมือนกันถ้าคุณเผลอแค่นี้แต่คุณรู้นิดเดียวเนี่ยไม่สมดุลเลยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่ารู้มากกว่าเผลอเป็นไงคุณตั้งใจมากขึ้นไปเป็นสมถะ <c oughs> เพราะฉะนั้นลักษณะของความสมดุลคุณรู้เท่าไหร่ก็หลงเท่านั้นคุณหลงเท่าไหร่ก็ให้รู้เท่านั้นถือว่าสมดุลเพราะรู้เป็นอาการของการดับ หลงไปอาการของการเกิดใช่ไห ม, มการเกิดดับสมดุลกันโอเคฉะนั้นรู้เท่าไหรหลงเท่านั้นรู้สิบครั้งหลงสิบครั้งก็ต้องรู้สิบครั้งแต่ถ้าคุณหลงสิบครั้งคุณรู้แค่ครั้งเดียวสองครั้งเป็นไงเกิดแกห่างเยอะเลยนะตรงนั้นมันจะไปเป็นส่วนขาดกันตรงนั้นนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณขยับรู้ห้าหลงห้าก็รู้ห้า หลวงสิบก็รู้สิบโอเคนั่นหมายความว่าสมดุลละแต่ถ้าหากว่ามันสุดโตง่งหมายความว่าคุณหลงมากกว่ารู้เรียกว่ากามะสุขานิการนโยคุณรู้มากกว่าหลงเรียกว่าอัตเตเกียมาธานุโยคุณรู้และหลงเท่าเท่ากันเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาอันนี้คือหลักที่ธรรมาชาติมากเลยนะไม่ใช่ซับซ้อนนะเหมือนคุณเก้าวไปเท่าไหรสิบเก้าทีหลังก็สิบเหมือนกันอ่ะสมดุล แต่ถ้าคุณก้าวไปข้างหน้าสิบพอยหลังสิบสองคุณอาจจะตกขอบไปได้เนื้อที่มันจำกัดแค่นั้นนะนะถ้าคุณเจ้าเลยเบอร์นนะั้นคุณตกขอบไปเลยนะดังนั้นในเรื่องภาคปฏิบัติมันมีอะไรซับซ้อนนะถ้าเราเข้าใจแล้วมันง่ายง่ายมากแต่เนื่องจากว่าเราถูกอบรมถูกสั่งสอนและตำลาบอกเราเนี่ยเป็นเรื่องซับซ้อนเป็นเรื่องลึกซึง้ง เป็นเรื่องของคนมีวิสนาบารมีมีปัญญาบางทีมันไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนทําได้แต่คุณมีความรักที่จะทำไหมมีความเพียรที่จะทํำไหมเท่านั้นเองนะแต่ในตําราและครูบาอาจารย์สอนไว้บางครั้งเป็นเรื่องมันมันไกลตัวแต่ถ้าจริงๆถ้าหากว่าตามหลักของพุทเถียนนั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวที่สุดเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ทําได้ง่ายแล้วก็อยากจะให้ทําลให้ได้ไว เพราะยิ่งทำได้ไวมากเท่าไหร่นะชีวิตเราจะเหลือเพื่อความมีสุขมากเท่านั้นนะแต่ถ้าหากว่าเราทำเรื่องนี้ยืดเยื้อไปชีวิตที่เหลือที่มีความสุขมันเหลือน้อยมันไม่คุ้มกันกับชีวิตที่เกิดมามันทุกมาตลอดกับตลอดกันนะใช่เราจะมีความสุขนี่เดียวเราก็ตายไปไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นก็ทำเรื่องนี้ให้ไวที่สุดเมื่อทาเรื่องนี้ให้ไวแล้ว เวลาที่เหลือชีวิตทั้งหมดโอ้มันเป็นประโยชน์มหาศาลกับเพื่อนมนุษย์นะและที่เราได้ก่อนคือเรามีความสุขตลอดเวลานะความสุขที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแัะนั้นก็ไม่ต้องมีเงื่อนไขหรือมีอะไรต่อรองมากมายเพราะผลประโยชน์ที่ได้จากเรื่องนี้มันมหาศาลนะมหามหาศาลและการทําก็ไม่ยากเสียด้วยดิคุณตั้งแต่ลุกแต่นั่งจะย่างเดินคุณเก็บได้ตลอดเลยแต่ว่าเราจะมีศรัทธาไหมในการที่จะเก็บเรื่องนี้ บอกคนว่าผมยังทําไม่ได้อะแค่ที่ทําไม่ได้เอะแล้วเรื่องยากกว่านี้คุณจะทําได้ไงแค่รู้ตัวในการลุกการนั่งการย่างการเดินแค่นั้นน่ะนะง่ายที่สุดละแต่เรื่องอื่นยากกว่านี้คุยยังทําได้เลยนะดังนั้นลองทวนใหม่นะมันมีในทุกๆขณะเลยการมีสติสัมญยาทํำได้ทุกขณะไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเลยนะนะดังนั้นพรุนี้เราลอ ง, ลองดูสําหรับบางคนนะที่ต้องการเข้า เริ่มต้นตั้งแต่แรกตื่นขึ้นมาแต่เราก็จะเริ่มต้นหลังจากรับทานอาหารเช้าแล้วนะเรากลับไปก็เริ่มต้นเรียบเรียงเลยทีเดียวนะเอาช่วงเช้าก่อนช่วงเช้าถึงเพนเป็นไงพอจะทำไหวไหมถ้าหากเราถือเป็นเรื่องสนุกนะมันก็สนุกเหมือนเราเล่นเกมเลยละ่ะแต่ถือเรื่องเนเรื่องจริงจังเกินไปที่เราไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ได้มันก็จะเป็นเรื่องยากขึ้นมาทันทีแต่ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆลองทาดู เรื่องที่มันบางทีเรื่องที่มันมันถูกต้องมันก็ไม่ยากแต่บางทีเป็นเรื่องยากๆมันไม่ถูกต้องก็เยอะนะเพราะนั้นเองก็อยากจะให้ศึกษาดูทุกอย่างอะ่ะในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่หัวอยู่เท้าเป็นอุปกรณ์ของการเจริญสติเจริญปัญญาได้หมดเลยเพียงแต่มีคีย์เวิร์ดอยู่ตัวหนึ่งคือมีสติ <c oughs> สมัมมาชนญาเท่านั้นบวกเข้าไปนะ ดังนั้นในวันพรุ่งนี้เช้าเป็นต้นไปเป็นเป็นบรรยากาศของการเก็บอารมณ์อยู่ใครคนที่อยู่ข้างนอกขลงพ่อให้เก็บรวมกลุ่มสําหรับคนที่ยังไม่เข้มแข็งให้เก็บรวมกลุ่มแต่สําหรับคนที่เริ่มจะเข้มแข็งแล้วลองเก็บเดี่ยวดูแต่คนเก็บเดี่ยวแล้วรู้สึกว่าเออตัวยังเองไปไม่ไหวนะวก็กลับมาหากลุ่มอีกเหมือนเดิมเพราะลักษณะาารวมกลุ่มมันเป็นพลังเป็นพลังช่วยกันถ้าจริงใช้คําว่าสังขะ สังคะคือการช่วยซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงมีสังคะมีพระสงฆ์ด้วยสําหรับช่วยคนที่ยังกําลังไม่พอมันเรายกท่อนสูงหนึ่งท่อนเนี่ยยกคนเดียวไม่ไหวใช่ไหมอ่ะมายกสักสิบคนยี่สิบคนท่อนสูงนั้นก็จะเบาฉัน้นใดก็ดีบางีการปฏิบัติต่อที่จะบรรเทาราคาโทรสามมหาเป็นเรื่องหนักทําคนเดียวไม่ไหวแต่มาทําหลายคนเป็นเรื่องที่ทําได้ นี่เราจะไปต้องมีสังข่าช่วยกันอย่างนั้นนะก็<อ>จะทำให้ได้อะไรทั้งเยอะนะเวลาแค่นี้บางทีคุณอาจจะไปได้ไวอีกหลายๆก้าวทีเดียวนะแล้วคนที่ทำเรื่องนี้ออกไปแล้วเอาไปใช้เป็นโอ้ ม, มันมีความสุขในการทำงานแล้วก็ทำให้เรามีความผ่อนคลายแล้วก็ทำงานเป็นชีวิตไม่เครียดง่ายๆนะแล้วก็ชีวิตรู้สึกเห็นนอะไรเป็นเรื่องที่สนุก ไปเห็นคนที่เขาทุกข์เพราะราคาโทสะโมหะแล้วเนี่ยเราสงสารว่าเขายังเป็นเด็กอยู่อ่ะแม้จะคนแก่แล้วก็ตามนัะถือว่าเป็นเด็กอยู่นะถ้ายังมีราคาโทสะโมหะนี่แสดงตัวตวนชัดเจนเนี่ยอารมณ์ยังเป็นเด็กอยู่ถึงแม้จะจบด้วยสัตว์ราชาแล้วก็ตามแต่วุฒิที่ภาวะทางจิตยังเป็นเด็กอยู่ถ้ายังมีราคาโทสะโมหะที่แสดงตัวนะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ไปทําเรื่องนี้แล้วเราก็จะเป็นเสาหลักของครอบครัว เป็นสาหลักของอผู้ที่ไม่ได้ม า, อาพอเราต้องอยู่ในกลุ่มของคนขาดสติในครอบครัวเนี่ยถ้าครอบครัวใหญ่สิบคนขึ้นไปหรือห้าคนขึ้นไปเนี่ยถ้าเราเป็นคนมีสติมากกว่าคนหนึ่งเนี่ยมันช่วยได้นึงเยอะนะเพราะว่าเราอย่างน้อยมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ได้ไปหลงสถานการณ์หรือไปถูกสถานการณ์พาไปเราเป็นผู้จัดการให้มันเหมาะสมเพราะเรามีสติแต่ว่าเรากลับไปบ้าน เราไม่ไปทําต่อมันก็เข้ากลุ่มเดิมกันเหมือนเดียวนะยังยังหลงกันอยู่แต่ถ้ากลับไปบ้านแล้วคุณไปทําต่อในที่สุดในครอบครัวเกิดอะไรขึ้นเราก็เป็นผู้ดูมากกว่าที่จะเป็นผู้สแสดงแต่ถ้าเป็นผู้สแสดงหรือไม่ความว่าเราเข้าร่วมวงในสถานการณ์ก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ปัญหากเกิดแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเราไม่ได้เป็นผู้เข้าไปร่วมวงด้วยแต่เราเป็นผู้ดูอยู่เรานั่นแหละจะเป็นผู้แก้ปัญหาได้ในที่สุด นะนั่นคืออั น, นิี่ส์งของการเจริญสติในเบื้องแรกคือเราเราเป็นผู้จัดการพอจัดการชีวิตจิตใจของตัวเองได้บ้างแล้วสถานการณ์คนที่ไม่มีสติเนี่ยมันย่อมจะมีความผิดพลาดได้ง่ายมากในชีวิตประจำวันไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งและนะแต่ถ้าเราเป็นฝึกเราฝึกตนเองด้วยสติสัมปชัญญะเราจะมองออกถึงปัญหาต่างๆมันมาเริ่มต้นตรงไหน แล้วก็แก้ไขปัญหาเพราะการปฏิบัติการเก็บอารมณ์คือการมาฝึกฝนแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหาได้ทั้งโลกต่อเมื่อเราแก้ปัญหาของตัวเองได้หมดเพราะตัวเราเองก็ชีวิตเราเองมันคือจําลองมาจากโลกทั้งโลกนั่นเองนะพรุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าโลกกวิถูผู้รู้แจ้งโลกเพราะท่านรู้แจ้งตัวเองเมื่อลูกจัดตัวเองก็รู้แจ้งโลกท่านนั่นเองใช่ไหมเพราะในชื่อของเราทั้งหมดเป็นตัวจําลองเป็นปฏ ธิมากำของของโลกของจักรวาลอยู่ตรง ต, รงตรงเรานี่เองเพราะฉะนั้นเราจะศึกษาโลกทั้งหมดก็ศึกษาตัวเองให้ทะลุแล้วปัญหาทั้งโลกก็จะมองออกว่าคนจะแก้อย่างไรนะนั่นเรื่องนี้เราจะช้าไม่ได้แล้วนะเพราะเมืองไทยถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นการจุดประกายพุทธศาสนาไปทั่วโลกเนะี่ยแต่เดี๋ยวนี้ปรากฏว่าทางอังกฤษอเมริกาทางยุโรปเนะี่ยเขาประกาศการเจริญสติเป็นวราระแห่งชาติเป็นเนชั่นอลอาร์เจนดาไปแล้วอนะ่ะอันนี้เขาไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะ เขาเป็นวะละาภแห่งชาติไปแล้วว่าปัญหาเดี๋ยวนี้ซับซ้อนมากมากเราจะใช้จิตแพทย์มันใช้ไซโครโลจีไดไฮโซเทอโรปีมาแก้ไขเนี่ยไม่พอต้องใช้วิปัสสนาของพุทธเพราะอะไรเพราะสมาชิกสสหรืออ่า วุฒิสภาหลายคนของเข า, เ า, าที่เคยมาศึกษาพุทธศาสนาเคยมาบทในเป็นพระในพุทธศาสนาไม่ว่าทั้งทิเบตรหรือทั้งเทรวาสเขาเมื่อเขาไปอยู่ในสถานะเขาเห็นว่าวิธีที่แก้ปัญหาของคนในชาติของเขาลักษณะคเครียดอย่างซับซ้อนอย่างนี้มีทางเดียวคือต้องมาเจริญสติเขาก็อภิปรายกันในสภาในะที่สุดเขารับร่างอันเนี้จําได้ว่านาย布莱นที่อยู่ที่โอไฮโอเน้นนำเสนอเรื่องนี้เข้ารัฐสภาอเมริกานะผ่านนะ่ะผ่านไปได้กระชั้นเลย ดังนั้นเราจะช้าไม่ได้เลยเรื่องนี้นะเราก็ต้องทําและอีกหน่อยเขาก็มองว่าเออประเทศไทยเป็นที่เผยแพร่เรื่องนี้เขาก็ต้องมาศึกษาพวกเราก็ต้องกลายเป็นอะไรในที่สุดกลายเป็นครูสอนสมาธิเดนนี้ใช้คำว่าครูสติที่นี่นะเราถึงใช้ตั้งที่นึว่าครูสติครูสตินั่นเองนะเพื่อที่เราจะผลิตคนออกมาเป็นครูไม่ใช่เป็นนักเรียนธรรมดานะเพราะฉะนั้นคนที่จะออกไปเป็นครูเรื่องสอนสติก็จะต้องขยันฝึก เพื่อให้เกิดประสบการณ์และเราจะต้องเป็นครูของตัวเองให้ได้ก่อนแล้วก็ไปฝึกสอนให้คนอื่นนะเพราะฉะนั้นอย่ามองข้ามเวลาสั้นๆนะก็ขออนุมโมทนาสาธุในความตั้งใจนะที่พวกเราจะออกไปศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องนี้ก็ขอให้อย่า ม, มีอย่าให้มีโวิสักหรือมีมานอะไรมาขวางกั้นในความตั้งใจของเราเพื่อเราจะได้ รู้ได้เห็นเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งสามารถที่จะบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดตัวเองถูกและปลูกสติสัมปชัญญะให้เข้มแข็งด้วยกันทุกคนทุกท่านทืน